ต่อไปขึ้นข้อ5ปัญจะมีวิพัฒน์ในที่ประกอบด้วยอุปสรรคตอนนี้ให้แปลอุปสรรคเข้ากับปัญจะมีวิพัตน์หรือแปลปัญจะมีวิพัตน์ให้เข้ากับตัวอุปสรรคไม่เกี่ยวกับนามไม่เกี่ยวกิกริยาอาขยานแล้วตอนนี้ตัวปัญจะมีวิพัฒน์จะแปลไปโดยได้เนื้อความเข้ากันกับตัวอุปสรรคแปลว่าจากเหมือนเดิมข้อหนึ่ง <Okay. S 1> อปาสาลายายันติวานิชา ลองดูว่าในประโยคนี้ตัวไหนมีอุปสรรคอาปาสาลายะหรือว่าอายันติหรือว่าวานิชาอาปาอยู่ในอาปาสาลายะ <c oughs> นะอาปาอุปสรรคอยู่ในอาปาสาลายะอายันติเป็นกิริยาไม่มีอุปสรรคด้วยถ้ามีก็มีอาอุปสรรคอยู่เหมือนกันนะนะอายันติยันติแปลว่าไปอายันติแปลว่ามาวานิชาแปลว่า พ่อค้าทั้งหลายเป็นผู้หูพจน์พ่อค้าทั้งหลายวานิชาพ่อค้าทั้งหลายอายันติย่อมมาย่อมมาอะปะสาลายะเว้นจากสาลาเว้นจากสาลาไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างนี้นะ ถ้าท่านพูดถึงศาลาแสดงว่าศาลามันมีเดินจากตำบลหนึ่งไปอีกตำบลหนึ่งนะมันมีศาลาพักริมทางระหว่างทางแต่พอค้ากลุ่มเนี้ยไม่แวะพักถึงศาลาแล้วไม่แวะพักต่อไปเลยก็คือเว้นศาลาอืคือเห็นศาลาแล้วไม่พักไม่แวะ <c oughs> ไม่ใช่มาแบบไม่มีศาลาถ้าเว้นจากศาลาไม่ใช่หนีจากศาลามาไม่ใช่ เส้นทางที่มาเนี่ยมีศาลาก็ไม่แวะพักก็คือไปอย่างรีบด่วนอย่างเร่งรีบไปให้ถึงเวลาไปให้ทันเวลาอะไรอย่างนี้นเดินมาโดยไม่แวะศาลาไม่แวะพักศาลาพากันมาโดยไม่แวะพักเว้นจากศาล า, าอ่าเว้นจากศาลาอปาเนี่ยแปลว่าหลีกแปลว่าเว้นศาลายะแปลว่าจากศาลา อยู่ในคําเดียวกันเลยอยู่ในส ม, มาดเดียวกันเลยเว้นจากศาลาแต่ถ้า <c oughs> ถ้าสํานวนแปรสนามหลวงมันจะแปลนี้อปาศาลายะจากที่อันมีศาลาไปปราดแล้วรู้เรื่องไหมคือคือพ่อค้านี้ไปถึงไหนศาลาจะย้ายหนี <c oughs> มีศาลาไปปราดแล้ว <c oughs> เอาละดูต่อไปบบนะอปากขามายะไม่ใช่ค า, า, ามาอปาคามาาัศมาคามัศเป็นปงลิงก็ใส่ใมันถูกสารลานเป็นอีทิลิงก็เป็นเลยเป็นสารลายะอุย้ยถ้ามาแบบปาสะจากบ้านแสดงว่าคนไม่มีบ้านเลยนั่นเนี่ยเอา้าไม่แวะ บ, บ้านตัวเองเหรอ มาจากที่ทำงานแวะไปที่อื่นเลยไม่ไม่แวะบ้านอีกหน่อยสักวันเถอะมาโดยปราศจากอาจารย์มาถึงโรงเรียนลอาจารย์หายอย่นี้ต่อไปดูข้อสองปังริปัพาตาเทโววัดสติ ปังรีปรพัพตาตัวนี้เป็นสมาวิพัตเป็นอาปังรีเป็นอุปสรรคเราขีดเส้นใต้ไว้ก็ได้นะขีดที่อปะและขีดที่ปังริีปังริปรพัพตาเทโวแปลว่าฝนนะไม่ใช่แปลว่าเทวดานะเพราะกริยาว่าวัตสติแปลว่าตกถ้าเทวดาตกนี่แย่เลยนะอืมเทโวแปลว่าฝน เพราะว่ามาจากฟ้าฝนที่ตกมาจากฟ้าเทโวฝนวัสติย่อมตกฝนตกปางริปัพพตารอบรอบรอบจากภูเขานะรอบจากภูเขาใช่ไหมคราบว่าภูเขาเนี่ยไม่ตกเลยมันตกอ้อมไปอ้อมมาอยูน่นะคือร อ, รอบรอบจากภูเขาไปเนี่ยฝน อ่นะอ้อยู่ในรอบๆอบภูเขาฝนไม่ตกห่างจากภูเขาไปฝนตกหมดตกอ้อมภูเขาไปอ้อมภูเขามาแต่ตรงภูเขาไม่ตกแปลกนะว่าทาไมฝนตกไม่ทั่วฟ้าน่าจะบอกว่าฝนตกไม่ทั่วดินเนาะก็ไม่ทั่วฟ้านปดินก็เป็นที่มาดินก็สิข้างบนฟ้าไม่มีฝนก็ไม่งดิน เอาดูต่อไปข้อ3อาปภัตาเขตตังอาปภัตาสระอานั่นเป็นอุปสรรคคืออาอุปสรรคอาตัวนี้ มีอัจว่ามริยาทะเขตังแปลว่านานาทำข้าวเนี่ยดังนั้นภิกษุท่านบอกว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกใช่ไหมบุญยักษ์เขตังโลกะสะนั่นนะเขตังแปลว่านาเขตังนาอาปพัฏตาอาเนี่ยแปลว่าถึงแปลว่าจรดนะอาปพัฏตาจรดภูเขาถึงภูเขาชนภูเขา เขตนาเนี่ยชนภูเขาเลยอือราแปลว่าถึงแปลว่าจรดแปลว่าชนแปลว่าขอบเขต น, นะอาตัวนี้แปลว่าขอบเขตอืแต่ว่าภาษาไทยไม่แปลอืมใช่เขตนาเนี่ยจดเขตนาเนี่ยตั้งแต่ภูเขามาเอางี้แล้วกันเขตนานตั้งแต่ภูเขามาติดภูเขาได้ติดภูเขาก็ได้ ติดภูเขาจะลดภูเขาฮะแปลว่านาบุญชาวนาต้องการพืชพันธุ์นำมเมล็ดพันธุ์ที่ดีหวานลงในนาที่พื้นดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอินทรีต่างๆชั้นใดผู้ต้องการบุญก็หวานมเมล็ดพันธุ์โดยการให้ทาน ลงไปในภิกษุผู้มีความบริบูรณ์ฉันนั้นดังนั้นเมื่อภิกษุเปรียบเทียบกับนาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยการให้ทานเป็นต้นนะันคือการหวานมเมล็ดพืชวัตถุทานเป็นมเมล็ดพืชการให้คือการหวานผู้รับนั้นเป็นนาท่านนามีปุ๋ยดีหมายถึงนามีศีลดีย่อมผลิตผลมากย่อมให้อานิสงของผู้ให้มาก ต่อไปข้อ4อาพรมมโลกาสัตโทอะพุกคตชิอะพุคตชติสัตโทแปลว่าชื่อเสียงชื่อเสียงอัพุกคัตชติย่อมฟุ้งขึ้นไปฟุ้งขึ้นไปนฟุ้งขึ้นไปอาพรมมโลกาถึงพรหมโลก ชื่อเสียงกระจรขึ้นไปถึงพรหมโลกจะฟุ้งชื่อเสียงอันดีย่อมฟุ้งกระจรไปใครไปถึงแล้วใครมีชื่อเสียงไปถึงพรหมโลกแล้วอานะเป็นอุปสรรคนะอาพรหมโลกานะั้นะเป็นปัญจมีวิพัตนถ้าแปลตามตัวปัญจมีจริงๆก็คือ ตั้งแต่พร ม, มโลกลงมานะตั้งแต่พร ม, มาโลกลงมาเนี่ยชื่อเสียงย่อมฟุ้งไปย่อมฟุ้งไปก็เลยแปลต้องเอ่ยสมมวนว่าถึงพรมโลกชื่อเสียงจขึ้นไปถึงพมาโลกใชจก่จากพร ม, มารโลกลงมา อะไรเลยอามารีอภิวิธิอาเนี่ยอาจว่าอภิวิธิแปลว่าแผ่ไปอาตัวนี้ใช่ไหมอาจว่าแผ่ไปหมายถึงแสดงพื้นที่ที่ชื่อเสียงแผ่ไปถึงด้วยอาอุปสรรคคําว่าอาพรามโลกาเนี่ยเรียกว่าอภิวิธิแปลว่าแผ่ไป ใช่อภิวิธิแปลว่าแพ่ไปอภิจะแปลว่าอะไรก็ช่างถ้าไปอยู่ที่ธาตุไหนก็จะแปลไปตามธาตุอ่าเป็นสมาธลองแปลดูทีเนี้ยข้อหนึ่งอาปาสาลายายันติวานิชาพ่อค้าทั้งหลายย่อมมาเว้นจากสาลา ปังรีประพตาเทโววัสติฝนย่อมตกรอบรอบภูเขาอาปพตาเขตตังนาจรดภูเขาอาพระมโลกาสัตโทอะพุคัชฉติชื่อเสียงย่อมฟุ้งขจรไปถึงพรหมโลก